ปฏิบัติไม่ได้ผมอยากจะพูดว่าแก้ผ้าก็ปฏิบัติได้กับธรรมะคือไม่มีสักชิ้นนึงก็ได้มีเงินก็ได้ไม่มีเป็นวัฒนธรรมหนึ่ง ทำมาบวชแล้วได้อะไรขึ้นมาบอกว่าประการแรกที่สุดก็คือคือเป็นบ่อบุญครับถ้า เดิมนั้นภรรยาทะเลาะกันพระมาถ้าใครมาถามเธอว่าที่บ้านอย่าง <c oughs> ผู้ đi ออกบวชได้ถูกต้องนั้นได้ทราบว่าแต่ เสริญบุคคนต์ปฏิบัติธรรมะในขึ้นแบบในเพศคฤหันต์ให้บริสุทธิ์ดุจสังที่ ดังนั้นเราต้องรู้นะครับเมื่อเราเป็นครุหัตนี่เราต้องปฏิบัติเข้มข้นยิ่งกว่าพระ วันเพศหนาก็มีตัวเองไม่ใช่เป็นเพียงลูกตัวแล้วต้องเป็นลูกเขยของอีก บางทีมันสนุกดีเหมือนกันนะฮะแต่ไงก็ตามนะถ้าพวกเราจับเรื่องความรู้สึก จะเป็นโยมก็ต้องปฏิบัติตัวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นนัก ก็เดินทางเข้าไปภายในเดินทางเข้าไปภายในซึ่งเป็นประมัชฌะพอเข้าไปถึงจิตถึงใจถึงชีวิตจิตใจนั้น สุขทุกข์อะไรนี้เข้าลึกไปถึงจิตนี้จิตไม่มีรูปร่างเมื่อไม่มีรูป พอให้ภายในเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยอย่างพุทธเจ้าท่านเป็นท่านก็ยังพ่อเนี่ยยังคิดว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่แล้วอยู่ริมน้ําพราหมณ์เค้าไปทําบุญครับเค้าจะไปบวงสรวงเทวดาครับ ดูเห็นเราไปเปิดชีวรของพระเจ้าดูเห็นครับคือคนไม่รู้อะไรนี่ครับถึงพระสารีบุตรเดินไปนี่พวกเผาก็ คุณเห็นอะไรนี่หมานี่โมนี่กานี่กานี่ปลานี่เนนี่ชีเห็นเท่านี้ครับเห็นคนนี้ ยิ่งเข้าลึกเข้าไปยิ่งเข้าถึงถิ่น ลูกสมมุติคืออะไรนี่เข้าใจดีเมื่อเข้าใจประมาท รู้ครับแยกออกว่าอะไรเป็นสมมุติอะไรเป็นปรมัตถ์อย่างสีสมรก็เป็นสมมุติครับ <c oughs> ต้องคุ้มครองรักษาความรู้สึกตัวภาษาพระเค้าเรียกดรุณวิปัสสนาครับไปเพราะฉะนั้นเราเรามัตะหวังตั้ง <c oughs> <c oughs> เป็นสมุนัตถฐานที่สําคัญนะครับดูตัวเองเห็น ทำป้องคุ้มครองอันนี้ให้ดีๆวันนี้ผมอยากให้ปฏิบัติทั้งวันครับเพราะเรามีเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวเรา ไม่ต้องสนใจอาหารต้องสนใจอาหารจะคาวจะหวานจะๆกินช้าๆอิ่มแล้วไปล้างภาชนะ ครับอาจารย์จะนิเทศให้นะครับแล้วก็แต่สัญญาณเค้าก็ตี ขอร้องให้เป็นบริเวณนี้ครับรอในเป็นบริเวณนี้ครับเพราะว่าถึงเวลาผมจะ เมื่อถึงเวลาที่จะบรรยายกันผมก็จะตีระฆังทีเดียวเข้าใจมั้ยครับเข้าใจสัญญาณนี้ แล้วก็วันนี้ผมจะแนะนําจังต่อเนื่องแล้วอุคกฤตด้วยอุคกฤตนั้นหมายถึงว่าอย่างต่อติดๆผมจะเริ่ม no s'ha començat ni el primer bot dai, el bot 1, que donar tant que. Per això es comença. Don't sé farme. Motu จะทําให้ความสุขเป็นส่วนของเราความสุขนั่นคือบรรยากาศของความสามัคคีความเป็นน้ําหนึ่ง ซึ่งนั่นน่ะเพื่อน้อมอร่อยได้ครับ ธาตุมีรัตนะมีรัตนะประมุขแก้วครับคนโบราณนั้นจะเทียบสิ่งใดๆเป็น เนื้อเนื้อพระๆประธรรมนี้ประเสริฐจริงๆมันดับทุกข์ๆนิพพานสังกรธนาๆเพราะท่านเป็นๆ ก็ๆของเราเราพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นที่ใดนะ จึงดีพระธรรมจึงดีแล้วพระสงฆ์จึงดีอย่างสมมุติคุยโวโอ่ๆตลกคงไว้ผู้รู้ ตริประสงค์นะครับพระธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเป็นสิ่งดีนะแล้วท่านความสําคัญของพระสงฆ์ สำคัญตนเพียงเส้นอย่าฟังออกครับความสลักสําคัญของสงฆ์อยู่ตรงสงฆ์ไม่รู้สึกว่าตัวเองสําคัญอะไรเมื่อ ความสําคัญของพระสงฆ์คือก็คือกลุ่มท่านผู้ปฏิบัติสละความเห็นแก่ตัวสละทิฐิมานะสละความย่อยิงมีบุคคลที่กินน้อยใช้น้อยไม่ย่อยิงยโสสุภาพ คนบุคคลหรือบุคคลนั้นสําคัญมากครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของมนุษย์ คิดว่าเราไม่มีครรลาคาอะไรเลยคนที่คิดว่าครับเพราะเขาจะไม่ขโมยเขาจะไม่ทําร้ายเขา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 ตุยังเห็นได้จากเด็กรุ่นหลังเค้าไม่เล่นด้วยครับถ้ามองในแง่ความจริงนะถ้าแก้วคำ เป็นเงินเป็นทองแล้วนะครับหมายถึงสิ่งที่ส่องสว่างด้วยดวงแก้วมันหมายถึง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 คืออย่ามาดูที่ตัวเราเมื่อใดเราสําคัญตนผิดไปเมื่อนั้นเราก็จะตกไปจากความทรงจําของเพื่อนๆว่ากู พระตนไตรนะครับพระพุทธก็ๆส่วนพระธรรมนั้นสอนเรื่องความ ไม่ได้เด่นไม่ได้ด้อยอะไรสมมุติดังนั้นพระพุทธเจ้ากับธรรมดาท่านก็ถึงซึ่งความดาษพระสงฆ์ก็เข้าถึงซึ่งความดาษไม แต่เมื่อใดก็ตามพระสงฆ์สําคัญตนผิดไปนะคิดว่าตัวเองสําคัญๆหญิงยโสโอหังคิดอืมไม่เข้าใจได้แล้ว เพียงผู้ที่เป็นทาสติดตามนายด้วยความภักดีแบบที่เราสวดมนต์ มาแล้วก็ปฏิบัติตามซื่อๆอย่ากลัวการที่ ที่เป็นประโยชน์สุกของส่วนตัวและส่วนรวมโดยเฉพาะส่วน ผมมีเงินบาท 2 บาทว่าจะส่งไปเพื่อสมทบลุงมีครับเดี๋ยวนี้สถานการณ์รอบๆเพราะพงสักฟอกไม่ละลายฟองพง เมื่อนามผู้เขาถูกทลายล่าพลงแล้วก็มีมนุษย์ที่มีสํานึกดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อเราได้รับข่าวเราควรจะนึกดีใจแล้วเราก็ เอาใจช่วยนั่นก็คือบุญเหมือนกันที่ธรรมและสุภาพนะครับ Tamanu Formal เราพูดมติตายมติ 1 ที่ดูค่อนข้างไร้เหตุผลซึ่งเราจําเป็น พ่อแม่เราทำผิดได้ครับในฐานะเป็นปุถุชนเท่าไหร่มั้ยครับถ้าเราไม่ค้านกลายเป็นคือไม่ใช่เราต้องต่อสู้ เพื่อนที่เรารักมากที่เรารักมากไม่ได้ฟันมันด้วยมีดด้วย พระสงฆ์ที่พูดเก่งนะครับมีโมหรแต่ว่าดูแล้วโอหังนะครับเพราะว่าไม่งามประชาชนย่อมไม่ลืมสายประชาชนย่อมลืม ทางทางที่เราไม่ชอบแต่ว่าเราเผลอเห็นความขัดแย้งในตัวคนมั้ยครับเรา มันเบื่อเหมือนเบื่อขี้หน้าเพื่อนเนี่ยที่มันชอบคุยโวเลยเราไม่อยากฟังละหนีพสติๆเต็มเข้าต่อจริงๆเนี่ยในที่ประชุมนี้ผมเชื่อไม่มีแต่ว่าใครรู้จักกิเลส มันจึงมีมาในเหตุ ถ้าแต่คุณๆนั่นคือมันคุยโตโออะไรวงสิก็จังเลย ไม่ลวงล่อใครด้วยเล่ห์กลอุบายไม่ยวนเสน่ห์ใครไม่ล่อ ยิ่งเถอะมากยิ่งๆผมคิดว่าดูน่าเกลียดด้วยซ้ําถ้าคนที่มี ความสัตย์จริงมีลดที่ไม่ตายคือได้ยินที่ไหนมาชุ่มแล้วมันเติมหางเติมขน เพราะสงเป็นผู้ที่ไม่สําคัญตนเพียง เป็นบรมสุขนะตรมังสุขังเมื่อคืนผมพูดเรื่องสุขเกิดจากสามัคคีของหมู่นั่นวันเพิ่ง